ยิงอาศัยวัตถุนั้นเกิดขึ้นวัตถุนั้นก็คือหัตถยาวัตถุรัศกากระลาบค่ะ่านคิดว่่านียากมากหรือเปล่าค่ะพระพุทธเจ้าจะดบอกไว้ว่า ทำที่อาตมาสอนไ ว, วน้วันสอนไว้นั้นไม่ใช่ทำที่ไม่สามารถทได้ไม่สามารถปฏิบัติไ ด, ททาาได้ทำที่สามารถปฏิบัติได้ทำที่สามารถรู้ได้ถ้าไม่สามารถอาตมาไม่สอนหรอกจริงๆแล้วไม่ยากง่ายแต่ไม่ลงมือทำอันนี้เลย ไม่เคยไม่เคยใช้เวลาที่เหมาะสมควรใช่ไหม ใ, ในชีวิตของเตละคนก็ลงมือเดทางโลกเกู่ยวข้องกับการมสุใช่ไหมแต่ถ้าถ้าใช้เวลาพอสมควรยังเราทั้งหลายใช้เวลาในทางโลกเกี่ยวข้องกับการมาสุ เราสามารถทําได้แต่อยู่ที่สมาธิถ้าเราสามารถเจริญสมาธิได้แล้วสามารถทําได้อย่างงไงไม่ยากหรอกจริงๆอืมอ <laughs> <laughs> <laughs> ย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าเบิกสูทั้งเบิกสทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภกุที่ใจตั้งมั่งดีแล้วยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงถ้ามีสมาธิยอมรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องหวัวงแต่ไม่ไม่ไม่อยากใช้เวลาเพื่อจะรู้แจ้งเห็นแจ้งความเป็นจริงอยากใช้เวลาในการกรรมสุ ที่ไม่มีประโยชน์ที่สามารถทำให้ตัวเองในตัวเองตกในอบายภูมิอชอบใจมากดีใจมากไม่มีความปรารถนาที่จะทำที่มีประโยชน์ไม่อยากใช้เวลามากตลอดเวลาถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ไม่เคยถามต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อจะประสบกามสุขตลอดชีวิตมีความสุขชอบใจดีใจไม่ยอมแพ้ใช่ไหม เ, เราต้องยอมแพ้เกี่ยวข้องกับกามสุขอย่ายอมแพ้เกี่ยวข้องกับ <c oughs> ในกามปฏิบตัต สำคัญมากไม่ไม่ไมยากไม่ยากแต่ว่าเราถ้าเราคิดเองพิดารณนะแค่พิดารไม่เข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้เราต้องลงมือทาต้องเจริญสมาธิเจริญสมาธิแล้วเราสามารถทำได้แต่ละขั้นตอนได้อย่างได้อย่างดี สิ่งที่เราต้องจำเป็นต้องทำก็ต้องลงมือทำแค่ดีเองต้องใช้เวลาที่หมดพอสมควรถ้าเราทำไปอย่างนี้เราก็สามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้ เดี๋ยวนี้อาตมาจะอธิบายเกี่ยวข้องกับนามประมาทวันนี้ There is one table where it is mentioned 34, 3 t t y t h r e e types of j h t i c associated mental factors and jhāta. Mahakusala, and this one? No, you have this one. That one. Yeah. So please look at that table. So for those who those who are going to practice vipassana are going to practice mentality meditation as a วิปัสสนาญาณิกญาณิกะ They cannot descend the ญาณดัมมะ They must descend กรรมวาสวรรคุสละจิตะสำหรับท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณิกเมื่อได้เมื่อสำเร็จจากรูปกรรมฐานแล้วแล้วจะต้องกำหนดดูนามนามปรามัดท่านท่านจะเนื่องจากท่านยังไม่เคยได้บรรลุฌานดังนั้นท่านไม่สามารถที่จะ กำหนดดูนามประมาทของอัปนาชาญได้ค่ะท่านจำเป็นที่จะต้องกําหนดดูจากการมวจรัมหากุศลจากมหากุศลจิตนีคะ so there are thirty f o mentality mental factors when we do โอสัมเดชคามาวัชราโอสัมเดช at that time if it is with piti and yana, there will be t h r t y f mental factors ดังนั้นเมื่อในในมหากุสละถ้าเผื่อว่ามีมีพิติคือเป็นสมนะสมณะเสวนาและมียานคือปัญญริยะ ก็จะมีทั้งหมดรวมจิตด้วยก็จะเป็นสามสิบสี่ค่ะจิตหนึ่งแล้วแลเจตสิกสาสิบสามค่ะรวมเป็นสามสิบสี่มีเป็นสมณะศาสแล้วมีมียานมีปัญญาค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ชีอ่านให้ฟังสำหรับท่านที่ไม่ได้เอาเอกสารมานะคะ คือจิตอ่านว่าจิตจิตเวทนาสัญญาแล้วต่อไปเป็นสังขารขันนะคะมีเป็นนิยตาสังขารมียี่สิบเจ็ดค่ะคือภาษะเจตนาวิตกวิจารปีติวิริยะชีวิตสมาธิศรัทธาสำหรับในขอขอภัยนะคะ ในอภิธรรมมัทธสังฆหากเขาไม่ได้ใช้คําว่าสมาธิเขาจะใช้คําว่าเอกกตตาแต่ว่าสําหรับในวิสุทธิมรรคจะใช้คําว่าสมาธิซึ่งซึ่งจะดีกว่าที่จะใช้คําว่าเอกกตตาค่ะเพราะว่าเอกกตตาจะใช้กับฌานจะใช้กับอัปปนาค่ะเอกกตตาดีกว่าเอกกตตดีกว่าสมาธิ b e c a ราไม่สอย่างนี้ เราไม่สองอย่างนี้สอนเดเอกรักดาเอกัาที่พระอสอนตามหลักของอภิธรรมมัทธสังหาค่ะแต่ว่าท่านที่ท่านที่เรียนทางวิสุทธิมรรคท่านท่านก็จะเข้าใจแต่ว่าในเอกรัตตานี้จะจะต้องจ ะ, จะมีระดับที่ต่างกันในวิสุทธิมรรคเขาถึงได้แยกเป็นสมาธิและจิตตะทิตินะคะ แต่ว่าในที่นี้พระอาจารย์จะสอนแบบอภิธรรมะถาสังหะจึงให้เรียกว่าเอกขตาครับศรัทธาสติหิริโอตปะอโลบะอัตสะอโมหะกายปัสสติจิตตปัสสติกายละหุตาจิตละหุตากายมุทุตาจิตมุทุตากายกัมมัญญาตาจิตกัมมัญญาตากายปะกุญญตาจิตปะกุญญตากายุชุกตาจิตยุชุกตา แล้วจะมีเยวะปนกกาสังขารสี่คือฉันทะอธิโมกมนัสิการตัตรามชะตตาส่วนอนิยตาสังขารอันนี้ในขณะที่ท่านสารอยู่นี้ไม่ได้รวมอนิยตาสังขารซึ่งได้แก่การุณามุทิตารวิรติซึ่งเกิดบางเวลาค่ะ So how to d i s c e n g ultimate mentality. Before explaining about it, I want all of you to know w h a t when you make an offering. At that time, when you make an offering to Biku, at that time, wholesome states of mind arises in you. Right. In the time that you t the m o e e will arise. But you don't know how they arise. In which you, you don't know the reality. b e a mm u s h a n y,ou, m,ay, t,han, y a n m,ay, n o w j,ai, w,ha, maha, gu,son, g,et, i n d, a, y, o,ng, l a o w a y,ou, n k,now, a t h a m Do you know when you make an offering something to b e h o with? clear mind with good intention at that time you have you wholesome states of mind are arising you notice it พระอาจารย์เลอตาได้ถามว่าท่านได้เคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าในขณะที่ท่านที่ท่านถวายทานแด่พระภิกษุด้วยด้วยเจตนาที่ดีนั้นตอนนั้นมีกุศลจิตเกิดขึ้นท่านได้เคยสังเกตบ้างไหมคะ สังเกตบ้างไม่ได้สังเกตบ้างบางทีก็ไม่รู้อะไรบางทีก็ในจิตใจก็มีอยู่อย่างหนึ่งแต่ก็มือก็กำลังถอยอยู่ใช่ไหม <laughs> ไม่เน่ใจว่าโพกุศลจิตเกิดในใจหรืออกุศลจิตก็บางทีก็ไม่แน่ใช่ไหม แต่คนที่สังกฤษได้ว่าเดี๋ยวนี้ในใจของตัวเองกุศลจิตเกิดขึ้นอยู่เกิดปรากฏอยู่แต่ว่าไม่ทราบจะเกิด อ, อย่างไรแบบไหนไม่ทราบพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เพื่อจะรู้นามปรมาจรจะรู้อย่างตามความเป็นจริง นามเกิดแบบวิถีถ้าเราไม่เห็นวิถีเราไม่สามารถรู้จิตอะไรที่เกิดขึ้นในใจของเราพระพุทธเจ้าตรัสอนไว้เพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงนามระมาตตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พกได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้โอกาสปฏิบัติเต้ยังไม่รู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างความเป็นจริงเกี่ยวข้องกับรู้ แต่เรายังไม่รู้จริงๆทำนองเดียวกันแต่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับรูปเราอาจจะรู้ได้ไง่ายกว่าแต่เกี่ยวข้องกับนามอันนี้เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าถ้ามีสมาดิสามารถทำได้จะทำย่างไร สนใจไหมจะทำอย่างไรเราสามารถรู้ตามความเริงจริงต้องกำหนดทัดสีเพื่อเจริญสมาธิเจริญสมาธิแล้วเราก็ต้องถ้าเราใส่ใจ สกุปปัสสัตสกุปปัสสัมันมาปรากฏในพวังเวลานั้นวิถีเกิดในพวังอันนี้ก็ขอเรียกว่ามนโนดาระวิถีเกิดเปิดได้เกิดเกิดอย่างไรเกิบเปิดได้ในมนโนดาระวิถี มีเดละจิตขณะจิตตะ the first the first my m o m e n t จิตขณะแรกจิตขณะแรกเรียกว่าน a น dvara u j จ n a จิตขณะที่สอง ขขเขาเรียกว่าเจวนาเจาวนาเจวนาะเจวนาะปรากฏจิตครัง้งจิตครัง้งจิตครัง้งแล้วก็มีดา ร, รมณนะสองครัง้งแล้วก็บาวังกะ interrupt จะว่ายังไงขันบาววังบวังะ ท่านแล้วก็มโนดารวิธิต่อไปมโนดารวิจณะเจวนาจิตครั้งแล้วก็ดดารรมณาสองครั้งแล้วก็ประวังกาต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกมโนดาระวิธีหลายๆครั้งอย่างนี้เลยมง ปรดมองดูอาตมานี่นี่เป็นเจตคันนาแรกนี่เป็นที่สองนี่เป็นที่สามนี่เป็นสที่สี่สห้าเจ็หกเจ็แปดเก้าสิบมนโนดวาราวจุจ น, นะ หนึ่งจชวนจดชวนอารามนมโนทวารแลว้ววนนันหนึ่งชวนเจ็ดครั้งแล้วตรารามนะสองครั้งมีกี่จิต็กนักสบสิบอตมาจ้าสนผู้ปฏิบัตตอนเรกให้เขาเห็นวิธี ตอนแรกข้างตอนข้ตนขตอนแรกก็ต้องให้เห็นวิธีแต่ละวิธีในแต่ละวิธีมีจิตขดนะจิตเนะมันคกิดับอย่างรวดอี๋ ตอนที่แรกตอนขั้นตอนแรกต้องให้เห็นแค่วิธีและจิตตะขณะวิธีและจิตตะขณะในแต่ละวิธีถ้าคุค้นเคยแล้วก็ให้เขานับกี่จิตตะขณะเกิดดาวในมโนดาระวิธีเขาก็ได้เห็นสิบจิตตะขณะ ก่อนปวังกาสิบสิบต้องให้ผู้ปฏิบัติดูซ้าแล้วซ้าอีกในที่สุดคุ้นเคยกับวิธีและจิตตะขณะในแต่ละวิธีเข้าใจรึเปล่าเ <laughs> ข้าใจ <laughs> So they how the how are they arising จิตขนาดเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ How h เกิดขึ้นได้อย่างไร So I will make a sound for all of you to understand when they meditate us when they can see mental process mind or cognitive process and my movement in each cognitive process they reported me <c oughs> Many many times, okay? But you never, you never see, you never feel it in your life, even though they are arising and perishing in this way all the time. You never see why? You have no concentration. That's why, without concentration, you cannot know and see. เริ่มแล้ว h a ะอาจารย์พระอา i ารย์ได้อธิบายโดยแสดงท่าทางให้ฟังนะคะว่า <imen ode> ออกเสียงให้ฟังนะคะว่าเมื่อเวลาที่ท่านสอนที่พระอัจฉริยะและผู้ปฏิบัติที่สามารถกําหนดดูวิถีได้โดยด้วยยานท่านก็ถามว่าอเห็นอย่างไรท่านก็ออกเสียงว่าเห็นชเห็นละเอียดคือการเกิดดับที่ละเอียดยิบมากแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะนับได้นะคะ อซึ่งการที่เขาสามารถเห็นจิตขณะได้และสามารถนับได้นี่เป็นเพราะว่าเขาได้เจริญสมาธิค่ะในขณะที่ท่านท่านท่านท่านยังไม่สามารถที่จะเห็นวิถีจิตและจิตขณะในแต่ละจิตตรขณะในแต่ละวิถีได้เป็นเพราะว่าขณะนี้ท่านยังไม่ได้เจริญสมาธิค่ะ whether you see, whether you see see don't you you Whether you understand, whether you don't understand, even now in your mind, when the process e s are arising related to y i d o m r m e a t e l y No a t r w h h e r you see or o t no matter whether y o r understand or not, i the moment that you are l i s t n i n g there will be the mantra of s h a n a r a and the m a n t of v a เกิดดับตลอดเพราะว่าท่านกําลังฟังเสียงของพระอาจารย์โดยตาค่ะ Those who have penetrated mentality, u t m a t e mentality, in time of the Buddha, when the Buddha was giving Dhammatop, they can follow practice what the Buddha was telling. That's why they can attain on the spot. They can see that mental process are arising and perishing. in this ในซึ่งในสมัยพุทธกาล เมื่อพระบรมศาสดาตรัสแสดงธรรมและ ท, ท่านผู้ปฏิบัติธรรมในขณะที่กำลังได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเขาสามารถที่จะมองเห็นวิถีจิตที่เกิดดับจากการที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาแล้วก็เห็นการเกิดดับตามไปด้วยนั่นซึ่งทำให้เขาสามารถที่จะได้บรรลุธรรม เมื่อเวลาที่ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาอยู่หรือว่าเมื่อเมื่อฟังจบอะคะ sometime meditate because every night there is dharma talk in park for local people the The talk of the p a u p c i a r So those, those who could practice ultimate mentality, maturity, and those who are practicing vipassana. s o m t i m e s t h e o d me today, o n d a y Even though I am listening. I don't listen the Dharma. When the when I hear the Dharma, I see the arising and perishing here. I'm contemplating impermanent suffering nonsense. Very very good. In the p r a c t i c at Thamna Chaad, Thera Ataya, in every day, from one o'clock to two o c h o c k there will be a tape. ธรรมบรรยายของพระอาจารย์ใหญ่พระอัลตยาศยาดอเป็นภาษาพม่าให้กับชาวผู้ปฏิบัติธรรมชาวพม่าได้ฟังและในผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผ่านการกําหนดรู้รูปปรมัตสนามปรมัตสแล้ว เ, เขาจะสามารถที่จะมองเห็นวิถีจิตที่เกิดดับในขณะที่เขากําลังฟังเสียงธรรมะบรรยายของพระอาจารย์ใหญ่พระอัลตยาศยาดออยู่ค่ะแล้วเขาก็ได้ได้รายงานกับ พระอาจารย์เยอตะว่าเขาได้เห็นการเกิดดับของวิถีจิตในขณะที่เขากำลังฟังธรรมแล้วเขาบอกว่าดีมากค่ะ So when they do walking meditation there is one obvious object it is obvious all the time it is sound so when they are, when they are walking when they are doing walking meditation สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่กำลังเดินจงกรมอยู่ก็จะมีอารมณ์ที่ปรากฏชัดอยู่ตลอดเวลาก็คือเสียงใช่ไหมคะได้ได้ยินเสียงเขาหรือเปล่าบาาบาไม่บอกว่าไม่ได้ยินเ ด, ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไม่ให้คะ่ะ เ, เ, เ, เพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ้า เราทั้งหลายสามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งรูปประมาทนั่นประมาทและสามารถเห็นกิจกรอย่างรวดเร็วเวลานั้นสามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้ที่ใดที่ไหนเวลาใดเวลาไหนทำอะไรก็ตามสามารถทำได้แตในเวลาดินโจงโกลม เวลานั้นอารมณ์ที่ชัดที่สุดก็เสียงมีเสียงอยู่ตลอดอดมาก็ให้คขาเนะนน์แ ก, กพูดปฏิบัติที่สามารถได้เห็นรูปนามประรูปนา ม, ร ป, นามประมาตเลขขพิปัจจัยต่างๆให้เขาทำเดินโจงกรง อย่างมากและก็ให้เขาใายใจเสียงอารมณ์ก็สามารถเห็นน้ำประมาทที่เกิดจากอย่างรวดเร็วในแต่ละวิถีได้สามารถกำหนดรู้อรายลากอย่างดี So, because of this reason, all of you need to know that without concentration, close your eyes, sit the whole life. Can you see? Impossible. That's why you cannot see. Concentration is very important. d u t h i s r e a s we really need to learn m e d i a t i o If we have m e d i a t i แม้ท่านหลับตาไปตลอดนั่งหลับตาตลอดชาตินั่งหลับตาไปตลอดชีวิตท่านก็ไม่สามารถที่จะได้เห็นวิถีจิตและจิตกณะได้ตามความเป็นจริง So I have explained how to d i s c e n d ultimate materiality Now I t o l d just about the mentality Because suppose you have penetrated ultimate materiality When you close your eyes, you also see.